พูดกับพูดกับทุกท่านนะทุกคนทุกชีวิตชีวิตของเราได้มาเท่ากันเรียกว่าสามัญยลกษณะเสมอการไม่เที่ยงความเป็นทุกความไม่ใช่ตัวตนอันเดียวกัน แต่สิ่งที่ต่ากันคือเราใช้ชีวิตของเราไม่ถูกต้องใช่กายใช่ใจไม่เป็นใช่ใ จ, จก็ให้ไปทำปัญหาให้เกิดเป็นทุกข์แก่ตัวเองและคนอื่นใช่จิตใจก็ไปคิดเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่น เราจึงมาสอนตัวเองการมาสอนตัวเองก็คือการมาปฏิบัติธรรมการมาปฏิบัติธรรมก็คือการมาเจริญสติสติต้องเป็นไปในกายเป็นไปในจิตมันมีสองอย่างเท่านี้แน่นมันจะมีมากมายแปดมื่นสี่พันอย่าง มันก็มีสูวนรวมทั้งหมดคือกายกับใจถ้าเราจะสอนมันก็สอนตรงนี้มีสติตรงนี้มีสติเป็นเจ้าของกายมีสติเป็นเจ้าของใจอย่าให้มันเถื่อนมันคิดอะไรก็คิดได้ถ้สอนมันซะ ให้มีสติรู้ทันมันกายมันจะทำอะไรก็ทำได้รู้ทันมันซะอย่าให้กายมันสั่งไม่เป็นใหญ่ให้สติมันเป็นใหญ่เป็นเจ้าบ้านมีเจ้าเรือนเป็นนายทวันบานลอยสอนกายสอนใจ ถ้าสอนกายสอนใจได้ดีแล้วมันก็จะเกิดเป็นมากเป็นผลขึ้นมาเพราะเราไม่กายมีใจแหละมักผลมักเกิดได้จากกายจากใจเราความปรานสังายจึงสอนว่าจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นถังเสือ บัญญาเป็นผู้พายพายไปเทียบท่าขึ้นฟังกายของเราเหมือนเรือขับมันอาศัยมันให้มันทำความดีให้มันมาสร้างสติกายนี้เอามาใช้ ยามาถือไว้แบกไว้ปวดไว้อ้างไว้เ อ, ไวเอาไปปวดปรอางคนอื่นเอาไปปาดผานคนอื่นเจ๊งเงินท่าตัวอื่นไม่ดีแต่ยังเอากายมาใช่ไม้ขีมันก้ามฝั่งโอ้ะสองสารมันยาวเหลือเกิน เรียนว่าใจเกิดมันเกิดมันดับเกิดจากคันมันลาและมันเกิดอีกที่นั่งอีกที่ว่าเกิดดับเพราะกายมีที่เกิดกำเนิดการเกิดอยู่ที่กายมีเยอะเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้น แล้วก็มีเกิดอีกเกิดทางจิตใจร่วมกันเป็นขันธ์หน้ายืดเอาไว้อุปทานที่มันเกิดจากอาจตนะทั้งหลายเราก็มายืดเอาไว้ให้เป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ว่าโดยย่อมีเท่านี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายสอนเรื่องนี้สาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้หลังเจาสวดัรรมะเช้าจบลงก็ยังมามีสติศึกษาได้น้อยเสียก่อนอย่าไปใช่เหตุใจผลเกินตัวห้อยตามคาด มีสติภายในกายก่อนมีสติภายในใจิตใจกายมันเคลื่อนไหวใจมันคิดนึกให้รู้ตรงนี้เริ่มต้นแล้วมันก็จะจบไปเองทั้งหมดมัน จ, จบไปเองจะเป็นบุญเป็นบาปก็เกิดตรงนี้จะเป็นสวรรค์ในพานก็เกิดตรงนี้ จะเป็นสัตนาะโลกเดชานิสโรกายเปรตก็เกิดอยู่ตรงนี้มันเป็นภูมิมันเป็นภพเป็นชาติอยู่ตรงนี้ตรงกายกับใจภพชาติจะมีที่ตั้งอยู่นี่แล้วยังมีภพชาติที่เกิดอยู่ที่อายวตันะแล้วก็มีสมมติบัญญตัต วัตัวอาการต่างๆเอื้ออำนวยมัญญัตเอาก็จะมัญญัตเอาอย่างไรก็เป็นสิทธิของมัญญัตของคนพวกนั้นไม่ใช่เป็นปริมติการมัญญัตเนี่ยเป็นสมมุติ สมมติว่าดีสมมุติว่าไม่ดีสมมุติว่าสุกสมมุติว่าทุกข์สมมุติตัวเองความสุขของคนหนึ่งอาจจะเป็นความทุกข์ของคนหนึ่งความทุกข์ของคนอื่นอาจจะเป็นความสุขของคนอื่นไปมันหยาดต่ตางกันขัดแย้งกันจนทะเล ว, วิวาทจนปาดประหานกัน เราบกว่าไม่ได้ได้ไม่ได้ไรได้แต่ผลของสมมติบัญญัติที่มาเป็นสุขมาเป็นทุกข์ความสุขความทุกข์ที่ได้จากบัญญัติมันเขาไม่ใช่ตัวใช่ตนเราเคยสุขพ่ออะไรเราเคยทุกข์พ่ออะไรมันมีจริงไหมเราจรึงมาลูกมันจ้ะ มันยาวเหลือเกินถ้าเราไม่รู้มันมันไปไกลอันเดียวก็ไปได้หลายอย่างวัตถุอันเดียวไปได้หลายอย่างวัตถุอันเดียวไปเป็นจุกไปเป็นทุกข์ก็มีไปชอบก็มีไม่ชอบก็มีคนคนเดียวเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ไม่ชอบก็มีมันสมมุติบัญญัติเนี่ยมันล้นโลก เราจะปล่อยปละละเลยมันไปไกลคลองไม่ได้ครอบครองมันไม่ได้กับชุบมมบยกใจไปหมดเลยชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนตายไม่เห็นเอาอะไรไม่เห็นมีอะไรแต่ยังไม่ตายเอาทั้งหมดของกฎเกาความรักควยังเอาหมดเมื่อตายไปแล้วเบมือแถมไม่ได้ไเลยเลยเอาเงินไปใส่ให้ก็ไม่กาําเมา เอานา ไ, ไอ า, อ า, ออาไปให้ก็ไม่เอาเอาลูกเอาเมียไปให้ก็ไม่เอาแบมืออะไร mm hmm. เขาก็ยัดใส่ปากให้เอาเหรียญสิบาทหบาทเต็งละบา ท, บา ท, บาทยัดใส่ปากให้เ mm hmm. ต็มปากเ้าไปเผาเอาเผาเราก็เขก็เขียวขึ้นไม่หมดไม่มีอะไรแต่แต่ยังมีชีวิตอยู่เอาทั้งหมดเลย เราจรึงมาล้วมันจ้ะได้ใช่กายใช่ใจของเราให้มันคุ้มค่าคุ้มค่าน้ำนมแม่เราพ่อเรามีเรื่องอย่างนี้สอนเราเนี่ยธรรมะการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าน่ของเราเนี่วางเอาไว้ดีแล้วเนี่ย เน่ให้มีกำลังใจให้มีทิศทางที่พูดใน้ฟังนี่ให้มีทิศทางจะ ต, ต้องไปหลงทิศหลงทางกับกายกับใจมันยาวนานถ้าเราไม่หลงมันสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวถ้ า, าหลงมันก็ไปไกลเือเกิน มาฝึกหัดมามีสติแล้รูปกายของเราเนี่ยกายขอเราก็อยู่กับเราเนี่ยสติมันก็รู้อยู่เนี่ยใจมันก็อยู่กับเราเนี่ยมันคิดไปไหนแต่สติก็รู้อยู่เนี่ย<ช>รู้ทานมันรู้ทันมั น, น, มนสอนมันได้บทเรียนจากความหลงได้บทเรียนจากความสุขได้บทเรียนจากความทุกข์ได้บทเรียนเยอะแยะเลยมันเกิดขึ้นกับกาย orient, กับใจสติเนี่ย ลู้พอจะดีลูกเกิดปัญญาได้บทเรียนประสบการณ์อย่างดีที่สุดไม่ใช่ประสบการณ์กับการวตัตถวนเดินอันนั่นก็ดีทําได้คิดได้ประสบการณ์จากชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นปรมทัทิตย์มันเป็นมากเป็นผลมันขึ้นฝังได้มันใช่ได้ อาศัยกายอาศัยใจให้มันเป็นมรรคเป็นผลมรรคผลที่เกิดจากเราแล้วไม่พอก็เป็นประโยชน์จากคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นด้วยนะสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลกนี้ได้เยอะแยะไปเลยจนเป็นพระศาสนาพะระศีลอาลัยเมตตาเพราะเราฝึกษษติเนี่ยมันจะลาบไปหมดเลยเลียบไปหมดเลย นะไม่มีขึ้นชีวิตไม่มีขึ้นชีวิตเรียบถ้าเราไม่ฝึกตรง น, นี้มันมีแต่ขึ้นขูข่ขะขู่ขักหมดเลยกระทบก่รเทือนคนนั่นคนนี่ตัวเราเองครอบครัวผัวเมียลูกเต้าหลานเด่นกระทบกระทือนไปหมดเลยอะไรก็กระทบก่รเถือนไปจากกายจากใจของเราเนี่ยนะร้ายที่สุดเลย มันก็คิดได้มันเป็นวิทยาศาสตร์คิดสร้างระเบิดขึ้นมาเอาไปทิ้งใส่ประเทศชาติบางประเทศสร้าง 2,500 ล้านวอยล้านบาทาไปทิ้งค่าประหัรทหารไปดูเนี่ยเพชรเจาบุญร่องรอยของการลบไปดูแคเมนประเทศลาวโรคามีโดจีนหินหลงก้า โอ้คิดเท่าไปดูนั่งรถผ่านไปดูรอยระเบิดรอยหินแอบเกินต้นไม้ไม่สักต้นเลยนะ่น่งระเบิดกันอามีมันไม่ก็มีปัญญามาท้านกันแต่ปัญญาที่มาช่วยกันยิงๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วจงมาเอาท้องนี่ก่อน ไม่มีตัวบทกฎหมายมาปราบกันไม่มีคุกตารางใจกันเอาตัวใครตัวมันมาสอนตัวเราให้มันเห็นของจริงให้มันเห็นของจริงซะอย่าเสียเวลากับมันเื่นมากเกินไปมาเสียเวลากับการดูแลตัวเองบ้างเราทำมาอื่นมามากเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสร้างบ้านสร้างเรือนทรัพย์สินเงินทอง พอจินพอใช้บางคนก็ไม่พอจินพอใช้อ่านมัน่นใจเรื่องอื่นเกินไปพลังงานของเราใช่ไปเรื่องอื่นเกินไปไปเป็นท่าของเล่าบุรี่หลายปากเหลือเกินตาข้อจินหูข้อจินจมูกข้อจินลิ้นข้อจินกายข้จิตใจข้อจินหลองพ่อไปเห็น ไปเห็นเรื่องการกินของคนนะสมัยก่อนนู้นพอมีตู้แพงมีร้านอาหารก็มีคนหนึ่งไปนั่งกินข้าวพอจะนั่งกินข้าวสั่งอาหารมาวางบนโต๊ะไปนั่งกว็วิกินข้าวก็เปิดเอาเงินไปใส่โตู้แพงใ ก, ใกล้ๆกับที่จอดรถตุ้งเทพมืองเลยแล้วก็ไปรอขึ้นรถที่นั่น พอเงินใส่พอเขาเงินใส่ตู้ไปตู้เพมก็ดังขึ้นเขาก็มานั่งกินข้าวพอกินข้าวเราก็มัก็สักเช่นสักเอ็นเขาขามันก็สั่นไปกระดิกกระดิกกระดิกีปากก็ยินไปมือเข่ากระดานเข่าโต๊ะกินข้าวไปคอมันก็เอียงโน่นเลียงนี่ไปกับเสียงเพลงปากมันก็ยินหูมันก็ยินใช่ไหมตายมันก็ยินโอ้ยคนโดนแทนที่กินข้าวอย่างเดียวเออไปกินหลายอย่างเกินไป แล้วก็จิ้นบุดีกินข้าวเราเอาบุดีมาจิ้นอกีกอย่าเลามาจินอกีกกับแกฉบอะไรชี้แฉบไปหมะ เ, เหมือนกับหลังพ่อก็มีหนังจะไล่จไล่ก่อนเรียกว่าคนใช่เย้าปัญญาจะให้พูดให้ฟังคนใช่เจ้าปัญญ า, า, <c oughs> า, ญญามีคนใช่คนหนึ่งมีนายคนหนึ่ง อะไก็เรียกหาหนายอะไรก็เรียกหาคุณใช้เรียกคุณใช้มาไปซื้อเอาไวให้กูด้วยไปซื้อบุหรี่ให้กูด้วยเอากับแก้มมาด้วยเอาอาหารมาด้วยเอากับแก่มมาด้วยสั่งลาบอย่างนั้นจังบ้านไปใช้ก็ไปซื้อบุหรี่มาซองหนึ่งเสื้อเหล้ามาซองขวดหนึ่งกับแก้มมาชามหนึ่ง แล้วก็ผู้หญิงสาวมาคนหนึ่งเอานายแพทย์มาคนหนึ่ง น, นี่นายไม่ได้สั่งเอาหมอมาคนหนึ่งเอาหีบศพมาอันหนึง่งเกินตัวเจ้านายสั่งเอาหญิงสาวเอาเอาอะไรเอาเอาหมอเอาเอาหีบศพมาด้วย พอามาให้หนายนายก็แล้วเราบอกแต่เอาเหล้าบุหรี่กับกับแยมเท่านั้นทําไมเอาหญิงสาวมาทําไมเอาหมอมาทําไมเอาเห็บชอบมาทมําไมคนใช้เก็บอกว่าถ้านายกินข้าวแล้วกินแก้มหลอกกินเหล้าด้วยแล้วก็สูบบุหรี่ด้วย เมื่อจินเหล้วนี่เกิดขึ้นจะเกิดกิเลสตัณหาแล้วครับก็คิดจะมีทางเพศขึ้นมาก็เลยเอาหญิงสาวมาให้กะลีมาให้ <c oughs> เ, <c oughs> เพื่อจะนายจะไม่ ไ, ไปต้องขาที่ไหนอีกว่าเากะลีเอาหญิงสาวมาให้แล้วนายเกิดโลกเอิดขึ้นมาก็เลยเอาหมอมารักษาโลรคนะเมื่อรักษาไม่หาย นายก็ต้องตายเลยซื้อโรงมาด้วยนายเลย <c oughs> นายเลยนั่งงงเอ๊ะคิดไปตามที่คนใช้จะบัญยาอธิบายให้ฟังเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจท่านัันอุรีเราก็แมวแล้วเ่าก็แมวกับแจ้งก็แมวหมอก็กลับคืนไปซะผู้หญิงสาวก็กลับคืนไปซะ เราขอไว้แต่หีบศพเอาไว้นี่เพื่อเป็นอนุสติของเราก็เลยกลายเป็นคนดีไปเลยอันนี้คนใช่เจ้าัญญานะมันมากมายเหลือเกินชีวิตของเราเ่งเราเสียเวลาพลังนี้เท่าไหรนะ่เพราะนั่นเนี่ยลองมาใช่ควิตแบบ ปฏิบัติธรรมสถานที่อยู่ร่วมกันนองโดมาพูดเรื่องนี้กันมาทำเรื่องนี้กันให้มีสติตูกายดูใจของเราเน่ะมันจะเกิดมากจากผลที่นี่จริงๆแล้วเราก็ถือบวช ด, ด้วยอีนี้คิดว่าจะมีพระหลายรูปยี่สิบกว่ารูปสามิบรูปเป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องช่วยกันนะ นะเราก็มั่นใจว่าการที่มาทำารื่นศึกษาเรื่องนี้ทุกชีวิตจะได้คำตอบเรื่อนฐานะคงตัวเองได้จะบวชหรือไม่บวชไม่เป็นไรแต่ว่าการถือบวชนี่มันเรียบง่ายกว่าชีวิตครวญาติญาจโจมนะ ใ, ในสมมุติบัญญัติที่เป็นเพศท้งบวดเา้าโยมว่าเป็นเพศ ที่เป็นคราวาสญาติโยมมันก็มันก็มันก็เตือนเราได้นะอันเพศนัก บ, บทหผล่ลนล้ น, ลนผมผ้าจีวรนนะเราไปนอนอยู่ในป่าในตรงมีบาดวางอยู่ข้างๆมันอุ่นใจถ้าต้องกางแจงใส่เสือ้อไป น, นอนอยู่ในป่าในตรง uke, มันไม่อุ่นใจนะมันก็มันจะมีพิษมีภัย แม่บางทีไปนอนตามศาลเจ้าหลวงพ่อเคยไปนะเดินทุดงมาจากเมืองเลยผ่านมาดงลานตรงลานเลยชมแพไปเนะ่ยมาเดินข้ามไม่ได้มันมืดก่อนมันไกลฝนก็ตกให้เราทำไงเนะี่ยจะนอนไม่มีบ้านก่อนนะดงลานเคยไปไหมพ่อสอง ลงลานเลยก็เลยแวะสานเจ้าของสานเจ้าห้าสิบหกสิบแห่งลงลานเลยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทำงานขึ้นเลยแย่ไปนอนสานเจ้ามันก็หลังใหญ่นะสองหลังแปดเลยมันมีอะไรอยู่ท่านมีปืนมีช่างมีมีอะไรมีดอกไม้ทูกเทียนมีขวดเหล้าด้วยแม้นเหล้าแม่นบุหี่มีบุหรี่ด้วย เราก็ไปขวดดอกไม้เอาขวดเหลาลงไปกองไว้เอาโบลีไปกองไว้เอาช่างลงไปก่อนเราจะนอนตรนนั้นแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็กลางงงนอนขวดโต๊ะดีๆแล้วมันเหม็นแต่เรา เนี่ยเราเป็นพระเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่คิดไม่เลยคิดกลัวไปคิดว่าอะไรจะมาทำลายนะถ้าเป็นโยมไปนอนตรงนั้นนะถ้าใครคนอื่นมาเห็นเราจะว่าอย่างไงเขาคิดยังไงพราะ ว, ว่าเราเปลนว่าถ้าเป็นพระอยู่นั่นเขาว่าโอ้เกิดศรัทธาก็มีนะับไหกลับมาบ้านมาอยู่ดอนตาปูเปิดปฏิบัติธรรมตอนเช้า ฝนตกตอนเช้าไปทำวัดไม่ทันเลยแวะขึ้นตูบตาปูฝนก็ยังตกอยู่จนถึงฉันเช้าเพราะฉันเช้าเจ็ดอภัฉันเช้าถ้ายกกั้งล่มมาว่าหลวงพ่อไปฉันไม่ได้เพราะฝนตกเอาลมมาให้กันหนึ่งมาหามาหาหลวงพ่อไมาเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่บนฉานเจ้าตาปูตาปูบ้าน ก็ต า, ายกเลโอ้เห็นตัวตาปูแล้ววะเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยเห็นแต่เห็นตาปูแล้วอร่อยเอา เ, เ, อ, าเอาลมอ่ะไปฉันเข้าตาโยกก่อนเนี่ไปพูดอะไรให้คนชาวบ้านฟังบ้าเราก็นั่งอยู่ตูกตาปูฝนตกเห็นตาปูแล้วก็ ก, ก็เอาขวดอะไรออกซะหน่อยง ที่จำรู้จักจำไหมเขาเรีจำเจ้าผีของเขาคนดูแลผีตาปู่มีจำชาวบ้านเนะี่ยเขาตั้งเอาไว้เขาตั้งไว้ดูแลรักษาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตามฤดูปีจำเขาโกรธหาว่าหลวงพ่อไปทําลายสิ่งเทวโลกของเขามาของพ่อก็ไปพูดกับจำเขาโอ้ยพ่อจำ หลวงพ่อกับตาปู่ถูกกันดีๆนะไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันได้กับตาปู่ไม่ผิดตาปู่ก็ชอบหลวงพ่อหลวงพ่อก็ชอบตาปู่จำต่างหากนะพ่อจำต่างหากที่เข้าใจผิดนะเอาใหม่มาอย่าพิชิดใหมอย่าพี่ผิดตาพ่อจำไว้เลยหวัวเราะอู้เอ้อนั่นก็ไม่เป็นไรนะเข้าใจกันเพราะนั่นหลวงพ่อกับตาปู่ถูกกันเคยอยู่มาหลายที่ กับตูปตอปูกับตูปผีสานเย่าที่ไหนที่ไหนแม่เดีหีบศพผลไปฉนทำที่ใช่ผมเนี่ยใช่ผมวัดป่าเนี่ยมันก็มีกติกาสร้างไว้ให้พ่อให้แม่เขาเพ่อะ แ, แม่เขาตายไปแล้วก็หีบศพสองคนไปวางอยู่บนกติเปิดไฟไว้เขาไปดูแลไปส่งข้าวพ่อแม่เขาทุกวันทํางศาสตร์ทุกวัน แล้วก็เปิดไฟเว้เราฝนตกเนี่ยมันก็เปียกหน้า ม, มันขังมันเต็มที่เต็มเราก็นอนไม่ได้เลยมองเห็นกติไฟสว่างแล้วก็ดูขึ้นไปไม่มีใครอยู่ว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปนอนไปก็ไปเห็นเห็สบศพสองอันเจียงกันอยู่ก็ไปนอนตรงกลางเนี่ยโอ้ยแสนสบายนอนกับเห็บศพ ไม่ได้ยินเสียงกระดูกกระดิกกันไม่เหมือนนอนกับคนนอนกับคนเจงได้ยินเสียงโกลเสียงขางใช้เฮ้ <c oughs> นอนกับศพนี่มันดีเลยเกินอ้าสบายฝนตกมานอนเฉยเล <c oughs> ถ้าโยอมนุ่งกางเกงต้องเสื้อไปนอนมันก็ไม่ใสนใจเพราะเนี่ยเพศของเราเนี่ยอุย้ยเราได้ละมุนหลย่างดีที่สุดเลยมาเถอะใครจะมาบวชลองดู มาเป็นเจักบวชจริงๆเราดู้วยอ่ไม่ไม่ถ้าจะเอากิตใจแบบวพ่ว่านเอาออกรับของชั่วทำบุญดีก็ได้นะเป็นอุบาสิกาก็ได้มาถือบวชแต่ไม่มีไม่มีพิษม่ภัยอะไรนะเพราะด้านเราเนะี่ยมันยอดเยี่ยมที่สุดเลยประเทศไทยนะ มีพระสงฆ์มีรูปแบบมีวัดวารามมีคนชาวบ้านศรัทธาบิณฑบาตได้ฉันได้มีคนสงข้าวสงปลาให้ต้นอุปถัมภ์อุปถาตมีทายกมีทายิกาเนี่ยหลวงพ่อรับจดหนังสือฉบับหนึ่งื่หว่านนีะ้กรรมการจัดงานฉลอง ปฏิบัติธรรม12บสองปีจังหวัดสกลนครอาจารย์ชฉยานเนี่หมหลวงพ่อไปอ่านดูชื่อคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานปฏิบัติธรรมมีแต่นายแพทย์มีแต่อาจารย์ศอะไรต่างๆโอ้ยเราเห็นชื่อของคณะกรรมการเขารับผิดชอบ ในการสอนธรรมะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะท่านอย่าไปกลัวอะไรถ้าเราทําดีว่าปฏิบัติธรรมอย่าไปกลัวอะไรเรจะอยู่ยังไเรากินยังไงไม่ต้องกลัวนะแล้วที่นี่ก็มีเพื่อนมีมิตรอยู่แล้วมาเถอะมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเอ้าอย่าไปทาอะไรนะอยู่ตรงไหนมีสติเฝ้าดูแลตัวเอง มาดูแลตัวเองแท้ๆนี่แหละการปฏิบัติธรรมมาดูแลตัวเองถ้าดูแลเราดีแล้วคนอื่นก็ค่อยดีไปด้วยถ้าเราเป็นคนดีคนอื่นก็มีความสุขไปด้วยถ้าเราเป็นคนดีเ็าคือความรักถ้าเราเป็นคนดีของสามีภรรยาต้องเป็นคนดีของสามีสามีก็ <ual cheesecake. S 1> <Assim. S 2> มีความสุขถ้าเราเป็น สามีของปัญญาเราเป็นคนดีเป็นสามีคนดีพัญญาก็มีความสุขไม่ใช่เป็นคิดถึงกันคิดถึงกันคือทําคนดีรักลูกรักเมียรักผัวรักลูกรักหลานเป็นคนดีเนี่ยถ้าเราเป็นคนดีแล้วใครเดือดร้อนไม่มีแหละชื่นใจวางใจไฝ่เนื้อเชื่อใจกันได้น่ะ เสนอถนนวันพวกเนี่ยก็จะได้บวชแล้วมีครอบครัวผัวเมีลูกหลานตามมาส่งขับรถขับเรือมาโอ้ยดีเหลือเกินนะสมัยหลวงพ่อไปบวชไม่มีใครไปเลยเจ้คนเดียวไปบวชคนเดียวโยมคนเดียวก็ไม่มีหลวง่าเทียนพาไปบวชไม่มีโยมสักคนเลยคนเดียวพ่อแม่ก็ไม่มี ไปบวชเพราะนั่นเนี่ยถ้าอุ่นใจนะพวกเรานะ่ไปบวชก็ขอพายะไม่มีที่อยู่ต้องไปซื้อผ้าพลาสติกมาทำหลังคาไปขอเตียงวัดสีชมพูบ้านปากคูมานอนในป่าเดินโยงกรมขอไงไงปฏิบัติ ทางเงินไม่สนใจจะอยู่ง่ายก็อยื่ ไ, ก ป, ไปก่อนอ่านการกยินรับเศษไม่ใช่มาตักก็ยังเรานะพระกินฉันแล้วใมคีฉันแล้วเอาเหลือไปเขาจัดใส่เอาไปรวมรวมกันได้บ้างไม่ได้บ้างนะมัก็อดก็อยากเท่าั้วัดป่าพุยานเริ่มต้นเลยอดอยากมากแต่พ่ทนได้โอนตินมาของหนัง น้ำตาลมาห่อหนึ่งเรามาถายัางไงอะผมเคยเรีเยนก็ใช่เราเนี่ยเอ้าข้าวมาต้มตากอไปกับข้าวต้มเราก็เอาวนตีนใส่เอาน้ำตาลใส่ได้กระมังเยอะไปแจกกันจิตนะนะทุกวันเนี่ยมันอาหารการกินครัก็พอมีนะไม่ถึงกับทกับจากแล้วก็อู้ไม่กลัว น้ำพิกน้ำน้อยมันต้องเอาจีม้มเอาเข้าเหนียวขี้มเอามันจะหมดเอาน้านาํานนาคาคนลงไปอีกน้าปลาก็ทําเอาเอาน้าเกลือเอาเกลือใส่ปิ๊บเอาน้ําใส่ปิ๊บครึ่งปิ๊บเอาเกลือใส่เอาเกลือใส่สองถ้วยกะไก่ต้ม น้ำเกลือสุกแล้วปงน้ําเกลือออกมาเอาน้ําตาลายมาคั่วให้เป็นสีแดงๆเหลืองๆสักหน่อยพอเหลืองๆสักหน่อยเอาทุบงวกระเทียมใส่สักข้าห้าหัวทุบทุทปไปคั่วใส่น้ําตาลแล้วไปลงใส่น้ําเกื่อที่ที่ต้มแล้ว แล้วก็เอาขึ้นต้มออืออะหลคนคนคนให้เขาก็ตะ ว, วางลงมันนอนดีแล้วเอาพามาคองลินใส่ขวดเขาหูแช่นะพวกเราไม่มีเงินเสื้อนะทาเอาเอง <laughs> อแต่ว่าเอากินนานไปอะไกินไปไปอยา่าเอาไปนานมันมันบูดได้เสียได้นั่นเนี่ยอย่าไปกวอดก็อยากเลย ขอให้ได้ปฏิบัติอหิวบ้างก็ดีนะไม่ไม่ไม่ตายเพราะความหิวถ้ายังหิวเป็นอยู่ไม่มีใครตายเพราะหิวถ้าไม่ใช่ประเทศเดียร์ประเทศไทยเนี่ยไม่ตายเพราะหิวอแ่าน้อยก็ต้องเข้าวัดวาาเข้าว่าหาข้าวหาอะไรกินได้อยอะถ้าไม่มีจริงจอาจารย์วัดเทพอาจารย์ตุ่มพวกเราทุ ก, ทกคุยเวทงจะรับผิดชอบ เคยมีมือนกันที่นี่นะเคยมีอดเหมือนกันนะสมัยตะก่อนคุณหุ่งคนยังรายมาอยู่ด้วยแล้วก็อดคุณนุ่งทําอาหารเขามาพูดสองพ่ออาหารไม่มีแล้วนะพวงนี่นะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรทําอาหารใแล้ะข้าวว่ามีพริกเกลืออะไรก็มีละ เออเอาฟันนั่นสีหูอ๋อหลวงพ่อจะไปบ้านท่าไฟนะไปบอกฟันเท่าไฟขอข้าว ข, ขอหอมขอเิกขอเกลือเขาก็ออกมาไ้เขามานออเขาก็รีบกันละกั น, นพอบอกเขาว่ามันมีอาหารกิน ข, ข้าวสารเพกคเกลือฮามาส่งแต่ก่อนไม่มีรถไม่เดินแม่บวไข ไอ้บ้านท่าไฟบหานนะหามาสมถึงนี่เลยตอดีกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมทราบข่าวคุณฮ่องแจแกไปเขาเอาโ อ, โ อ, โ, อโอดินกระเสรงานเป็นกระสอบกระสอบนะถ้าโอดงจยังไขอกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมกรุงเทพก็ได้ฮะม่ต้ อ, องควรเราเนาะ ให้ปฏิบัติคนขวยเรื่องเดียวเรื่องปฏิบัตินะเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องสําคัญทุ่มเทลองดูนะทุ่มเทก็ไม่ใช่ํขำขียดนะสนุกนะสนุกทุกลองดูสินะสนุกทุกอย่าไปทุกเพราะทุกอย่าไปทุกเพราะความชอบไม่ชอบผิดปังผิดระยะไปทำเนี่ยมันทุกก็สนุกมันหิวก็สนุกไปเลย เหมือนหลวงพ่อพูดกับตัวเองนะป่วยเมื่อคนถามก็สนุกป่วยแล้วเกินปีนึงแล้วสนุกป่วยไม่ใช่เรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่กับยานตุ่มสนุกป่วยไม่ต้องทำอะไรยานตุ่มทำาใไ้งหมดเช็ดขีดข้เชเดีดดยาว์เฮยสนุกป่วยเนสนุกทุกข์ลองดูเป็นเรื่องสนุกสนาน เรื่องสนุกสนากับปัญหากี่ยับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากเราจากกายจากใจเราเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนหรอกสามารถที่เปลี่ยนมันเป็นความปัญญาได้ปัญหาเกิดจากกายจากใจมันเป็นปัญญาเป็นแหล่งปัญญาอย่าเอามาเป็นโทษเป็นภัยแต่ตัวเองนะ ด, ด, ด, ดูดีๆดูดีๆมีสติเข้าไปดีๆเนี่ย แต่ก่อนที่จะดูอะไรต้องสร้างสร้างสติให้เป็นเจ้าของกายเจ้าของใจเก่อนถ้าสติไม่มีมันดูไม่คุ้มนะนั่งอยู่นี่ไปแล้วพุดไปแล้วอ๋อกลับมากายมันจะไปไหนไปแล้วกลับมาให้กายมันสั่งให้ใจมันสั่งไม่ได้เราต้องใช้มันอย่าให้มันใช้เราสติเป็นอย่างนั้นนะ อย่าให้กายไม่ใช่เราให้เราใช่กายอย่าให้ใจไม่ใช่เราให้เราใช่ชใจิตใจเท่านี้เองมันไม่มากมายขนาดไ้ น, ไนดูแลมันเข้ามาให้เราดูเท่านี้เหมือนกับดูดูหนังโลกเคยดูหนังโลกเขาย่อโรกทั้งหมดมาใส่หนังภาพยนตร์ไปดูหนังโลกเขาโอ้ยเขาย่อให้เราดู โลกทั้งโลกเนี่ยเอามาให้เราดูใายให้เราดูนะน่ามตาล่วงนะดูหนังโลกถ้าสงสารโลกเคยเห็นไหมแล้วพอไปดูสองที่อยู่ที่สิงคโปร์ที่หนึ่งก็โเรดศูนย์วิทยาศาสตร์ไปดูที่เมอตั้นจารัดทีหนึ่งหนังโลกโอ๊ยน่าส ง, งสารจริงๆเไม่ ไม่ใช่สงสารพระเอกตางเอกเหมือนหนังอลักดั่งอะไรต่างน้านเรานะ่ของเขาหนังโลกเอาผ้าเช็ดน้ําตาด้วยหนังโลกอ่าสงสารโลกเลยไม่มีใครช่วยโลกมีแต่คนทาลายเหมือนกัโลกเหมือนหัวของเราหัวของเร า, ห, เราหัวพระเนี่ยหัวผมว่ไม่มีขนหัวพ่อตองไม่มีขนถ้าไม่มีเขาอยู่เนี่ย มันจะไปอยู่ที่ใดเาเฮ้ยวอกนไหว้หนังหัวมันเล้าต้องเอาขัามินมาทามันเล้ามันแตกเจ็บขวดด้วยถึงแตกถึงไรเ น, ะนาะยีเนาะอ่าวอนไหมเล้าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นบาทีมันแตกใกล้จะบีออกแล้วบีออกไปบ้างแล้วจนถึงแผ่นดินไว้ในอ่า วางประเทศหน้าสงสารโลกไม่มีใครช่วยนะอันนั่นก็เป็นเรื่องกันอนนันมาสงสารเราเนี่ยโลกคือเนี่ยกายกล้องศอกยาวานาคืบเนี่ยหน้าสงสารเหลือเกินสามสิปีไม่มีใครช่วยเราไม่ช่วยตัวเองสักทีปล่อยไปโอ้ยเรามาช่วยตัวเองเถจะได้บุญมากมาก การช่วยตัวเองก็ไดุ้นถ้าช่วยตัวเองก็เท่ากับช่วยคนอื่นเราเป็นคนดีอย่าบีดเบียนเลยวันนี้ก็พูดให้ฟังส้งควรเจรเวลาอาจารย์โตอาจารย์ยูยีพาไหวพระกลับ